คืเห็นใจมากปฏิบัติตอนนี้ยังตอช่อมันทุ ก, กว่ามีสภา ว, าวะแต่ก็อะไรเิดขึ้นกับเราจริงจริงมีอะไร ดู อ, อีกจะได้แล้วตอนนี้มันมีอยู่ไหมมันผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วเนาะอะไรจะเกิดขึ้นดีไม่ดีนาะตอนนี้มันมีจริงไนหะไม่มีอล้วเนาะ อ, อะไรจะเกิดขึ้นต้ก็ก็มันก็เป็นประสบการณ์เนาะมันก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้เห็น แต่เกิดแล้วมันก็ผ่านไปทั้งนั้นเลยผ่านไปแล้วแต่บางเรื่องนะมันบางเรื่องถ้าเรายังติดใจชอบใจไม่ชอบใจเนะบางทีมันผ่านไปแล้วก็จริงนะแต่พอเรากลับมาคิดอีกมันก็เหมือนขับมันย้อนย้อนสุขย้อนทุกข์อีกทีหนึ่งนะอันนี้นี่คือตัวที่เราต้องคอยคอยระวังมันนะเวลามันเกิดขึ้นไปแล้ว แล้วก็เก็บไปคิดต่อนะหรือเราก็เอามาคิดเพิ่มนะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นอารมณ์เลยไหมบางทีเราเช่นเราไม่พอใจใครสักคนเนาะความไม่พอใจนั้นก็เกิดขึ้นมาแล้วอาจจะที่ทางานหรือที่บ้านที่ไหนก็แล้วแต่แต่พอเรามาพูดเนาะอารมณ์มันจะขึ้นมาอาจจะมีพุ่ง กระชูดเท่ากับตอนที่เกิดแต่มันก็จะเจอด้วยความรู้สึกนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเราวางได้จริงๆเนี่ยไม่จะพูดเรื่องนั้นอีกนะแต่มันก็จะไม่ไม่กระเพื่อไม่วันไวก็พูดไปเพียงแค่เป็นประสบการณ์แต่ไม่ได้พูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมอีกในสภาวะก็เหมือนกันโยม น, นะลองดูสภาวะบันทีมันเกิดขึ้นานมาแล้ว แต่พอเราไปย้อนกลับไปพูดกลับไปคิดถึงมันบานทีถ้าเราไม่รู้เท่าทันมันจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบเลยที่หงุดหงิดไม่ชอบเลยที่งุ่มง่วงอะไอย่างเงี้ยนหะหรือบางทีบางคนภาวนานะมันรู้สึกเคยได้สภาวะสบายรู้สึกสภาวะดีดีพอเราพูดถึงมันอีกก็มันจะมีเหมือนคล้ายค้ความรู้สึกพอใจนะรู้สึกชอบเนี ที่จริงลึกๆมือก็คือว่ามันหวังว่าอยากจะได้อีกนั่นแหละนี่เองดูดีๆอะไรเกิดขึ้นมาก็ก็สังเกตดูเพราะงมามันแล้วขณะที่เวลาเราทำในทุกแบบก็ดีนะความรู้กับความหลงมากกาตหนมากกว่ากนรเงิ ดูต mm ัวครึ so so mm. like ่งหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ประเมืนแต่เองได้ครึ่งได้ขึ้นหนึ่งไหมใครที่ก็ไม่ถึงคึ่งทำไมทำไมคนไปบูนเขาหลงมากกว่า นั่งพอทำไมไม่ขึ้นรู้สึกว่าคิดยาวคิดยาวนะยองข้างหน้ายังไงทำไมไม่ขึ้นเพลินค่ะเพลินเพลินกับอะไรความคิดก็บางทีก็เนี่ยนะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราไม่มาปฏิบัติันงนี้มันจะเพลินกวบนี้ไหมเพลินกวบนี้เนาะ แล้ก็เรื่องเยอะตัว น, นี้นะได้ไหมเรื่องเยอะตัว น, นี้มันก็จะยาวตัว น, นี้แต่พอเรามาปฏิบัติบางทีอาจจะแม้เราคนหนึ่งแตวเองว่าอาจจะไม่ถึงขึ้นแต่ก็ดีกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมนี่แหละก็ดีกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ไดีมากนะเท่าที่คนอื่น แต่จริงเวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบพวกคนอื่นเนาะบางคนก็จะปฏิบัติทุกวันทุกวันทุกวันพอมาถึงวันนี้เขาก็แบบเดินต่อเลยนะความฟุม้งซ่านความคิดก็อาจจะไม่ยาวนะนี่ก็เป็นเรื่องของทุกคนนะแต่ถ้าถามเขานะว่าเขาเคยคิดมากเขาเคยหลงนานเหมือนเราหรือเปล่าเคยนะอาจามาฮีก็เหมือนกันนะเคยแบบ ตอนปฏิบัติธรรมเติ้ลอย่างทีอยู่ที่ว่าทางเดินโยงกรมทั้งทีเราใช้หินแบบคล้ายๆกันดินนะทั้งสองขามรับเหมือนเป็นเป็นร่อกเลยนะบางทีเดินขนาดเดินโยงกลมเนียังเดินหลับได้อยู่อัวแม่หมัวแม่เท้าเนี่ยบางทีไปเตะหินนะเล็บขบไปยนะเดินหลับก็มีนะเอาน้ําร้างหน้าก็แล้วเดินเร็วๆก็แล้วห่วง ที่เคยง่วงขนานนั้นข้าที่นอนตั้งแต่สองทุ่มมันก็ยังง่วงนะมันก็เป็นสภาวะอารมณ์หรือบาดีก็คิดน่ะคิดเยอะมากขนาดบวชนันโยมคิดไปแล้วถ้าตึ่ไปแล้วจะทําอะไรขณะดยังไม่คิดจะสึกนนะไม่ได้คิดจะสึกนนะแต่ถ้าคิดว่าสึกนแล้วอยากจะไปทำอะไรมันก็ดีนะอืมันก็ความคิดทั่วใหญ่ก็ ดีๆทั้งนั้นนะดีๆโครงการโปรเจกต์ช่วยนั่นช่วยนี่เป็นประโยชน์นั่นประโยชน์นี่แต่ก็คือพวกนี้คือมันน่อให้เราคิดน่อให้เราดุนตัวหรือบางขณะมันคอเคกับธรรมะบางทีมันก็คิดอะไรคิดเทศเป็นพระใหม่ไม่ไปได้เทศนะไม่ได้เทศต่นก็ มีบ้างพูดสั้นๆสาม น, นาทีห้านาทีก่อ น, นเช้านแต่อย่างจะมานดดี่ยบวชได้องกสองปีก่กว่าถ้าได้เทต่ตอนหลังหลังทาบ้านเนี่นก็นิดหน่อยๆคก่อนนั้นก็ไม่ได้เท่จริงๆแต่บางทีพอปฏิบัติธรรมพอมีสภาวะอารมณ์แล้วก็แทนที่เราจะบึกเรากลับมารู้สึกตัวเราก็ไปคิดคิดปลุกแกล้งเป็นธรรมะ ก, ก็มี น, นี่คือสุดท้าทีา่มันช่วนให้เราดึมตัวหรือถ้าปฏิบัติใหม่ๆส่วนใหญ่ก็รู้สึกไม่บางทีเรื่องเก่าๆในอดีตนะมันจะปผดขึ้นมาปผดขึ้นมาอย่างจะมาตอนเป็นค า, วานะรวะเน่ะเลือกไม่ได้นะว่าเราจำความได้ตอนไหนแต่พอมาเดินจงนกลมมาปฏิบัตรริทโอ้กวามรู้สึกตั้งแต่สองขวบมันกลับข้ามา ความรู้สึกที่เคยแกล้งเพื่อนแล้วเพื่อนเขาโกรธเราเนะี่ยแล้วก็ไปตีกันเนะี่ยมันโผล่ขึ้นมารู้สึกผิดขึ้นมาทั้ทงที่ดื่มเป็นานแล้วนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมไอ้เรื่องราวที่เคยทําอะไรมาในอดีตมันผุดขึ้นมาปุดขึ้นมาให้เราเห็นเนาะบางทีมันพอเราไม่มีอารมณ์ในปัจจุบันเดินกลับไปกลับมานั่งยกมือไปยกมือมาอารมณ์ในปัจจุบันมันไม่ค่อยมี มีค่ามีราคาเท่าไรมันก็จะไปพูดขุดคุด้ยอดีตเข้ามาคิดหรือว่าไปวางแผนอนาคตเข้ามาปรุมไอ้พวกนี้ก็เป็นธรรมดานะาเจอกันทุกคนถ้าพวถ้าพวกโยมเจอนะก็เพียงแค่รู้ทันว่าเออจะไปเพผลนกับมันแม้เรื่องอดีตก็ดีเรื่องอ น, นาคตก็ดีเรื่องดีก็ ด, เ ด, กดีเรื่องไม่ดีก็ดีนะมันมาให้เราคล้ายๆมาชวนให้เราหลงติดเอง แต่ถ้าเมื่อไรก็มีสติกลับมาอืกลับมาแต่มันก็คือเราห้ามไม่ได้เราห้ามความคิดไม่ได้แต่หน้าที่เราก็คือกลับมานะ ม, มันก็ดีนะพอพอเราเห็นในบ่อยนะมันก็มายแล้วนะมันก็เหมือนมันก็อืมมันก็ตลบตัวเองนะหลมความหลงมันมาอยู่แล้วนะแต่ก่อนเราเอาจจะเครียดเราอาจจะไม่พอใจที่มันมา แต่พอเราภาวนาไปจริงๆนะใจเราเป็นกลางมากขึ้นมันก็หัวเราะความโลงได้นะหวัวเรอะไม่แล้วเหะอเจ้าโครงการไม่แล้วเนาะอะไรนะต้นหันเล้นๆกันมาบ้างก็ได้นะอืมอย่าไปเครียดตัวเองมากความคิดก็ทักคล้ายๆทักมันเอะทับเหมันทักทวงเหมันเออไม่แล้วเหรออืมพฟแนะมันก็จะผ่านไฟนะมันก็จะจบลไงได้ง่ายเนาะ แตนะ่พอเรามามีสติไปไหวมันก็จะผ่านไปได้เรื่อยอารมณ์บวกก็ดีอารมณ์ลบ ก, ก็ดี้วก็ล้วก็แค่เกิดขึ้นมาทดสอบมาล่อให้เราหลงติดเฉยอ่าก็อันนี้เป็นเบิดมีใครสนใจให้าทางน้วก็เชิญเนาะประมาณเกือบขึ้นชั่วโมงที่เราอยู่ใตอนนี้เนาะใครจะถานเดีวก็เชิญ ความนิ่งควนิ่งมันก็คล้ายๆมันก็มีบางอารมณ์อยากอยากจับตากับบางทีรันมั่วมาค่ะก็หลับตาแล้วมันก็แอบหลับได้หน่อยนะก็ถ้าถ้าต่อแบบแยกแยะทั้งสองมันก็ไม่ควรหลับตาทั้งพูดไม่ควรหลับตาจะมาบ้างอะ แต่บางขณะถ้าอัานี้แต่แบบเคสอื่นนะ mm hmm. กรณีอื่นว่าถ้าบางทีบางคนฟุ้งซ่านมากเนี่ยอยากจะหลับตาเพื่อให้จิตมันรวมเข้ามาสักหน่อยเนี่ยได้แต่เมื่อทีคงโยมมันพอมันจะเป็นสมาธิมันมันจะน้องเข้าไปสมาธิมากกว่าเดิมมันก็เลยทําให้เราอยากหลับหรือว่ายิ่งง่วงก็ก็ น, น้องเข้าไปถูกความง่วงให้แบบนั้นไม่ควรครับแต่นอกจากบางคนที่ฟุ้งซ่าน หลับเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพิ่มขึ้นสักหน่อยอนนี้ได้แล้วพอจิตมันาอพุ้งซาดน้อยลงก็ดื่มตาทาํหมุนใจลมันมันกไม่คุ้งหรอค่ะแต่มั น, มนรู้สึกว่าเราสงบมันเป็นมันเป็นความอยากดับตาใช่แต่อแมอยากเลยเหรอคะ่ะมโยมยัง ย, งยงังอยากกว่าจุดมั้นก็นั่นแหละมันมันเป็นความรู้สึกเนาะเหมือน แม้เป็นความสงกแต่มันก็ดูดให้เราอยากสงบมากขึ้นเี้ยมันก็อย่างความอยากก็เหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเราอยากจะซื้ออะไรเนาะบางทีเราไม่สนองมันะมันก็ยิ่งเหมือนรู้สึกทุกข์เราอยากจะซื้ออะเราอยากจะได้มันก็เลยมันพออยากไม่ได้มันก็เลยยังเหมือนเป็นทุกข์เสมอแต่จริงมันก็ต้องฝืนมันบ้างนะฝืนมันแล้วเราจะเห็นว่าให้ความอยากปรับตานี่ก็ไม่เที่ยง แต่๋ยวดูดิเมื่อกี้มันอยากจะดับแต่พอเราทําไปสักทักเดี๋ยวมันก็เลิกอยากครับนะให้ดูแบบนี้ปฏิเสธการการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของอารมณ์แต่ถ้าเรากระหน่อมมันเราจะไม่เห็นเราจะเห็นความรู้สึกตรงนี้ไม่เหความจริงใช่หความจะเกิดรดับตรงคือความอยากมันก็ไม่เที่ยงดูว่าความอยากมันก็ไม่เที่ยงแต่นอมยง ถ้าเกิดว่าโยงกลับไปแล้วโยงโยมก็สงบไปเลยอันนี้ไม่ดีอะค่ะมันก็ได้แค่สมาธิในแค่ความสงบถ้าแป้งโยงได้ยังดีอ่ะทำมันตดใจคือสมาธิที่จริงท่านคือหมายความว่าถ้ายองรู้ว่าตอนนี้โยงกำลังจะสงบแล้วโดยแม้แต่ยงเหื่อนยโยงก็สงบแล้วเนี่ยโงก็รับตาหรือว่าคือเรารู้ว่าสงบแล้วเนี่ยเราเราจะสงบดีให้สงบดีอะค่ะ การหลักฐามันยิ่งเพิ่มความความสมบูรณ์มากเดินไปมากเกินไปมากเกินไปเราเราเน้นความความรู้ตัวแต่เราควบแบบรู้สึกหัวได้ไหมคะที่จริงมันก็ได้แต่แต่จริงมันมันแฝงด้วยความอยากอยากจะสงบนะอยากจะสงบแต่จริงมันบางทีสมาธิมันนําหน้าเนี่ยสติมันมันจะอ่อนนะ สมาสติมันจะอ่อนเหมือนที่จริงในสายวัดป่าเวล า, าเขาทาสมาธิมากๆบางทีมันก็ไม่ค่อยอยากจะทําอย่างอื่นไม่อยากจะเดินไปยา ง, างทีครูบาอาจารย์ต้องกระตุ้นให้แบบไปออกเดินทุตรงหนจะได้เจอเจอทัศน์ตาแรงๆเจอความกลัวเจอความเหนื่อยเจอความหิวเจอความเหนื่อยพวกนะี้มันจะทําให้อารมณ์ที่มันเคยสงบมนันขึ้นมาหรือบางที ถ้ายัางไม่มีโอกาสมันก็ต้องแบบท่านก็ต้องให้แบบตั้งใจคิดพิจารณาพิจารณาเกี่ยวกับร่างกายเนะ่ยเกี่ยวกับผมขนให้ฝันหนามให้เห็นนะอ่ยเกี่ยวกับร่างกายมันมันไม่เที่ยงอย่างไรเนะี่ยเพื่อ <c oughs> ให้ไหรเพื่อให้จิตไม่ติดความสงบประเด็นอื่นั่นนั้นคือคือโทษของมันก็คือว่าเราอาจจะไปติดความสงบตรงนี้ถ้าเราไม่รู้จุกตัวใช่ความสงบมันมากขึ้นไป ตัวปัญญามันก็เลยไม่เคยถามขึ้นคำถามเลยไหมคะก็จะถามระยะคำถามามถามวิธีกช่วยเดนทางพวกสิ่หลายสำนักเนี่ยวุฒินะคะวันๆเลยเนี่ยเราควรจคือก็คือเอ่อเจริสิงเคลื่อนไหวก็เรียนมาอาณาบาลสติก็เรียนมาคือในการปฏิบัติที่ดีเนี่ยฮัลโหล ในการปฏิบัติที่ดีเนี่ยเราควรจะพู่งตกไปด้วยวิธีปฏิบัติเช่นเจริญสติแบบคื่นอนไหวอย่างเดียวหรเรามีแผนนิดหนึ่มาขอเชา้าอนาปาติสติหลัง้อกคืนก่อนอนอนาปาตติสติกาว่าแลเจริญสติแบบเคื่นอนไหวไม่ทราบลูกผสมนี่จะได้นะคะวิธีไหนที่อาจารย์คิดว่าเหมาะสมอันนี้ตอบแบบฟังาใจแต่มานะ มาว่าที่จริงในสมัยพุทธ ก, กาลพระพุทธเจ้าท่านก็คงไม่ได้แยกไม่ได้แยกเหมือนเป็นสํานักเหมือนเป็นตอนนี้นะแต่เวลาพระพุทธเจ้าของท่านสอนในแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มท่านก็ดูอุปนิสัยของแต่ละกลุ่มอุปนิสัยกลุ่มนี้ท่านมีปัญญามากท่านก็าจะให้ไปเรียนรูปัญนาไปเลยอุปนิสัยตัวนี้เนึ่งท่านจะให้ทําความสงบก่อนท่านก็สอน เรื่องสมาามก่อนแล้วใ่อยสอวิปัสสนาเพราะเวลาพวกท่านเจ้าคือครูบาอาจารย์ที่ท่านสามารถรู้แจกแจงเรื่องอุบนิสัยของศีลด้านะ่านคือจะสอนให้ค่อนข้างตรงกับกับเจดิตที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้ดีขึ้นแต่สมัยนี้บางทีก็บางทีไม่ได้สอนแจกแจงแบบนั้นแต่ตัวเราเองอะ่ะแต่ต้องต้องดูตัวเองว่า เราทําแบบไหนแล้วมันจิตมันตื่นรู้เกิดสติเกิดปัญญาดีแต่ก็ต้องทําอย่างอาจารยมาเองว่าบางทีถ้าเราได้เรียนแต่หลายแบบบางทีเราก็อาจจะลองหยิบข้อดีในแต่ละแบบมามาผสมกันก็ยางได้ น, นะเช่นบางครั้งอาจารู้สึกว่าถ้าบางช่วงร่างกา ย, ายมันเพียจิมตมันฟุ้งซ้านมากจะให้เจริญสติ ตามรู้อย่างเดียวบางทีมันก็ไม่ไหวกาลังสติไม่พอเราจะทําความสงบเข้ามาสักหน่อยเพื่อให้จิตมันมีกาลังขึ้นเมื่อจิตมันมีกําลังขึ้นก็ออกจากความสงบแล้วก็เจิญสติต่อก็ได้แต่บางคนถ้าติดสงบแล้วยิ่งไปทําความสงบต่ออีกมันยิ่งขี้เกียจที่จะรู้นะแอลนั้นก็ต้องควรที่จ ะ, ะลดตรงนั้นไปเลิกตรงนั้นไปแล้วก็มาเจริญปัญ ญ, ญา มาว่ามันเป็นแบบนี้มันคงคงตอบเป็นตอบแบบ ร, มรวมๆไม่ได้เราต้องตอบแบบแยกๆดูตัวเองว่าขนาดแต่ละขนาดเราควรจะทำแบบไหนแต่จริงแต่มาว่าหลักการจริงก็คือว่านะทำยังไงก็ได้นะให้มันอยู่ในสายของสี่สมาธิปัญญาแน่เด็ดเนาะ การมีศีลการมีสมาธิการมีปัญญาอยู่ในสายตัวเนี้ยตื่นที่เราได้สวดคริยมรรคในหลวงแปนถ้าในชีวิตประจำวันเราเราเดินทางตัวนี้เนาะแต่อาจจะบางขณะมาจะเน้นส่วนในส่วนหนึ่งมากกว่ากันมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ดได้ผิดไม่ได้เสียหายแต่จริงแล้วว่าเราเองจะต้องดูตัวเองด้วยว่าแต่แต่ละขณะเราควรทําแบบไหนะ สมื่เกตูบางทีจิตมันฟุ้งซ่างมากก็เรียกมันว่าตั้งใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอาจจะทำในรูปแบบเดิมนะไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งหลับตาอย่างยกมือมันฟุ้งซ่างมากขึ้นอ่ะตั้งใจ ก, กําหนดชัดเจนขึ้นนี่ก็เพิ่มสมาธิกันนะใช่ว่าหรือบางทีจิตมันอยากจะดับตามัมนสงบกเกินไปบางทีรู้ว่าติดสงบบางทีเีย ม, มาเดินเลยนะไปเดิน ปิดเดินปิกวาดใบไม้ให้มันให้มันเจอในกระทบอะไรก็อืมมันจะได้ไม่ติดสนมอันนี้เราก็ต้องดูตัวเองว่าที่จริงมาว่าแต่ละคนมันแต่ละสภาวะมันจะมีความแตกต่างกันเหมือนเราขับรถอ่ะมันเหมือนเหมือนเกียร์ออโต้เนาะมันมันก็ปรับของมันให้เองมปรับของมันให้เองว่ามันจะขึ้นเขาหรือว่ามันจะรถติดมันจะช้ามันจะเร็วมัน มันจะปรับจังหวะมันก็ต้องปรับจังหวะไปเรื่อยของเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดหรือถูกแต่สิ่งที่เราควรจะรู้คือว่าถ้าทำแล้วมันเป็นจิตเช่นบางทีนักปฏิบัติทำส่วนหนึ่งบางทีเป็นจิตแค่ฟังสมองนั่นแหละมันก็เลยไม่ก้าวหน้าต่ออาจะมาแต่ก่อนบางทีแต่ก่อนก็เคยทำนานๆตอนนั้นเป็ินะแต่ตอนนั้นก็ทำแล้วมันไม่เป็น มันไม่เจริญสติมันจะเดินแค่สมาธิมันได้แค่ความสงบอย่างเราตามลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำไปแล้วมันเหมือนลมหายใจมันแทบไม่มีเลยจิตมันก็นิ่งสงบสบายๆมันก็รู้ตัวนะไม่ใช่ว่าดับไปตกเบาบางเฉียล่ะแต่ก็รู้นิ่งๆหน่อยไปแต่ตอนนั้นเราคิดว่าแบบถ้าจิตนิ่งแบบนั้นเนาะเหมือนปัญญาจะ มันจะโผลมันจะเข้าใจอะไรของมันเองแต่จริงมไม่ใช่หรอกพอจิตมันนิ่งสักพักความปวดทนเมื่อยเกิดขึ้นกํรารรมสมาธิเข้าใจก็ค่อยๆออกมาน่กลับไปใช้ชีวิต ธ, ธรรมดาจะแต่พอนั่งปฏิบัติอีกก็อาจจะอยากได้ความสงบแบบนั้นอีกอันนี้คือนี่พูดถึงการติดนะติดความสงบก็คือว่าเราพอใจในความสงบแต่ถ้าบางคนนั่งอาณาปัญสติแต่ เน้นที่สติเป็นหลักนะไม่ใช่เอาความสงบอันนั้นก็อาจจะเป็นการเจริญสัญญาเจริญปัญญาคือไรเป็นความเกิดดับเป็นความเกิดดับของสภาวะตา่างๆมาเคยสนทนาทํากับโยมคนนึงที่เขาเขาเข้าสมาธิเก่งมากเข้าชาห์ออกฌาห์เก่งมากแต่ก่อนเขาก็ทําเขาก็ทําเป็นเพียงแค่สมาธินะตอนหลังเขาเพิ่งมาค่อยๆค่้าใจว่าอ๋อที่จริง เราก็สามารถจเจริญสติได้ขณะที่เข้าชาออกชาได้เช่นเมืีอย่างที่เราสวดสมาธิปีติเกิดขึ้นมาในกาชั้นหนึ่งปีติดับไปเหนือแต่สุขเองรักษัตาเนี่ยเป็นชาชั้นสองแก็คือดูความเกิดดับของของสภาวะอารมณ์แต่ละขั้นแต่ละขั้นถ้าเห็นแบบนี้มันก็คือได้เป็นการเห็นจเจริญปัญญา แต่แต่ก่อนนะบังแค่ความสงบอย่างเดียวมันก็เลยมันก็เลยไม่เกิดปัญญาแต่พอเจริญสติผ่านการเข้าชานนี่ก็สามารถเห็นได้อ๋อเห็นสภาวะที่มันเกิดดับในแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี่ยแต่มันละเอียดมากแต่ถ้าจิตเราไม่มีกําลังบางทีมันมันจะมันจะไม่ค่อยากเห็นมันจะอยากแช่ในความสงบในความสบายแต่การทําแบบนี้บางทีมันก็มันสมาธิ แรกๆมันจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่สิ่งที่สําคัญคือมันจะทําให้เรากลับมาจากความคิดเร็วแล้วก็มันจะทําให้ไม่ไม่ไม่ค่อยเกิดนิมิตต่างๆบางทีความสงบนี่ยมันจะมีนิมิตเยอะนิมิตแล้วเราก็จะต๋งนิมิตหรือบางทีมันก็จะมีสภาวะเหมือนรู้บางทีมันเหมือนรู้นะรู้สภาวะอนาคตบางอย่างถ้ามันก็รู้สึกติดใจเหมือนเออ เมื่อเรามีซิเซนเหมนะคือสัมผัสที่หกอะไรบางอย่างที่เราที่คนก็ไปไม่ไม่เคยเจอหรือเราไม่เคยเป็นเหมะมันจะมีสภาวะรู้แล้วมันจะติดใจติดใจเื่าเราทำแล้วมันรู้แบบนี้มันจะชอบมันจะเกิดความผอใจไอ้พวกนี้ก็เป็นจริงๆว่าอะไรเป็นเป็นความเนุ่นช้าอย่างนึความเนุ่นช้าในสามภาวนาแต่ทางตรงนี้เหมือน อย่างหลวงพเทียท่าเคยทำสมาธิมาเยอะเคยปฏิบัติหลายวิธีแต่ก็อาจจะอย่างว่าบางทีครูบาอาจารย์อาจจะไม่แน่ได้แนะักท่านถึงการเดินต่อจะทำเกิดปัญญาเนาะแต่พอท่านมาฝึกแบบนี้แล้วมันมันรู้สึกว่ามันตรงกว่าตรงเพราะ่า อ, อะไรไม่ติดความสงบแล้วก็เอาตัวสตินําหน้าแล้วก็เมื่อเกิดวิปัสสนูเมอเกิดอะไรพอแค่กลับมารู้ตัว ไอ้พวกนั้นก็แล้วก็เดินต่อไปได้เร็วเดินต่อไปได้เร็วอันนี้คนก็จะช่วยกันแต่ฐานสมาธิท่านก็คงดีระดับหนึ่งนะแต่ที่จริงครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่บอกว่าเราต้องทําสมาธิก่อนอนะพอเราจเจริญสติไปเรื่อยเนะี่ยตัวสมาธิมันก็จะตามไปเรื่อยเพราะว่าอะไรรู้ตัวเนี่ยจิตก็ตั้งนั่นรู้ตัวไปแล้วความคิดไม่ล็อกแวกเป็ี่ยนใจจิตมันก็สงบสงบแบบไม่ใช่ว่าสงบแบบ ไม่มีความคิดนะแต่สง บ, บเพราะว่าเราไม่ไปเราไม่ไปคล้ายๆไปเจอเป็นอารมณนะ์อารมณ์มันมันแบบไม่ไม่สุขมากไม่ทุกข์มากอารมณ์มันมนิดๆหน่อยมันก็เป็นความสง บ, บแต่เป็นความสง บ, บแบบรู้ตัวเนี่ยก็ต้องดูเนาะหรือแม้แต่บางทีเราฟังครูบาอาจารย์หลายํานักอะ่ะบางทีไดแได้เราจะสงสัย ทำไมพูดพูดแบบบางทีเหมือนขัดแย้งกันพูดเหมือนทำไมแตกต่างกันแต่จริงมันก็อาจจะไม่ได้ผิดนะเวลาถ้าพูดขัดกันแต่บางทีมันเป็นเทคนิคในแต่ละขนาที่ทำแตกต่างกันจิตใจเนาะมันไม่ใช่ว่าใครถูกใครผิดแต่บางทีท่านพูดแบบนี้ก็ต้องการจะชี้แบบนี้ตอนแบบนี้อย่างพระพุทธเจ้าเองถ้าท่านบอกว่าถ้าเราไปดูว่ า, า, วาท่านขัดแย้งกันหนะ ถอนคนหนึ่งให้ทำสมาธิก่อนถอมีคนนึงให้เจริญกับตถภาถอนอีคนหนึ่งให้เดินยิปัจจนาเลยมันก็ไม่ใช่ว่าท่านขัดแย้งกันแต่ท่านชี้ในแต่ละจุดบางทีเราอ่านหรือเราฟังซีดีเนาะอยา่าปกติถ้าใส่ใสปฏิบัติน้ำเวลาเทศน์อ่ะมันจะไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเตรียมตัวเทศทน์นะโยมมันเทศตามสภาวะของของผู้ฟังผู้ฟัง อประมาณไหนมันก็จะเทศสประมาณนั้นเ น, นเทสตามสภาวะของนั้นแต่บางทีพอเราไปฟังซีดีที่หลังไปอ่านหนังสือที่หลังเนยกลุ่มที่ท่านเทสแล้วก็ถือว่าทอดเป็นหนังสือเนะ่ะบางคนละกลุ่มกับเราบางทีที่ท่านแนะนํามันก็คือแนะนำกับกลุ่มนั้นเอมันก็อาจจะเหมาะกับกลุ่มนั้นก็ได้ใช่ไหมหรือที่จริงแม้แต่เทสรวมนะบางที แต่ละคนก็สภาวะแตกต่างกันนะของคนเป็นผู้ใหม่ของคนเป็นผู้เก่าความเข้าใจในแต่ละภาวะก็แตกต่างกันบางทีเราต้องแยกแยะว่าเออตอนนี้เราเป็นแบบนี้นะเราจะต้องตั้งต้นแบบนี้ตั้งต้นแบบนี้นะพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็ต้องดูด้วยนะดูด้วยใช้ใช้อะไรใช้การตรวจสอบตัวเราเองนั่นแหละว่าตอนนี้สภาวะเราเป็นแบบไหนเรจะพัฒนาแบบไหน มันเป็นตัวส่วนต่อแล้วเราไปเตือนต่อแต่ก็ไม่แต่ก็จะไปคิดว่ามันจะต้องถูกร้อยเปอรเซ็นตครับหลงใช่บ้างผิดใช่บ้างมันก็เป็นประสบการณ์ <c oughs> ไม่มีใครที่แบบหนึ่งถูกทางหมดเก่งทั้งหมดต้องนะมันก็เผอไปผิดไปนะเข้าใจผิดไปแต่พอเราภาวนาไปเรื่อยเราฟังใครเราเห็นรูปแบบไหนมันจะเข้าใจเองว่าอ๋อท่านสอนเลยน่นนะ เ น, น้นเน้นความสงบท่านสอนนะเน้นเดินปิปัจนาไปเลยบางคนไม่สอนไม่สอนวิธีนะพูดแต่ขนความมีมูุสุทธโธเลยจะมีมันก็จะรู้ว่าอ๋อท่านสอนยิ่งไปตรงไหนตรงไหนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเออแต่เราจะรู้ตัวตอนนี้นเราควรจะเดินตรงไหนมันก็ไม่ติดครูบาอ า, าจารย์ใครจะถกเท็จไงนะถ้าเป็นนักปฏิบัติกทำจริงยม เรื่องการตกเถียงคานักคำสอนครูบาอจารย์นะอย่าเป็นตกเถียงเลยมันเป็นมันเป็นบรญญาแบบยกโรคเนาะอยไปเอาข้อสูตรนั่นข้อสูตรนี้คาสอนคุบาอาจารย์มามเถียงอันไหนดีอันไหนไม่ดียกันมันไม่ใช่เลยนะว่าแต่เราทำแล้วเราพ้นทุกดับทุกได้ไหมนะถูกแล้วอ๋อนั้นบางทีถ้าใครจะมาทวนเราวิพากษ์วิจารณ์ทะลาะกเราต้องไม่ต้อง ฟังไ้ฟังไ้แล้วก็เรามน่มาดูอารมณ์ของเราว่าตอนที่ฟังเป็นแบบไหนมันอยากพูดมั้ยมันอะไรมนะันเกิดขึ้นไหมเราก็ดูอารมณ์ของเราเองอันนี้จะเป็นการภาวนาพร้อมขณะที่รับฟัง เพราะเขาบอกว่าถ oh, ้าปฏิบัติถ hmm. ูกม like, ันต้องบาสบายใ่ไหมแ้มีพวกปฏิบัติทุกเยอะก็เอาติตนรนจัง่าอยากคนตัวเมแล้วก็จะบตึงเครียดอะไรเนี่ยมีเทคนิคต่านานาใะไรบ้างคอรทบทวนนิดนึงก็ที่จริงก็บางทีความอยากจะได้ผลนั่นแหละคือเหตุให้เกิดความทุกข์เนาะทีเทคนิคก็คือวเนี่ยต้องแบ ทำแบบไม่บางผลไม่หวังผ ล, งผลแล้วก็วางกายคลายวางใจต่างๆนะไม่เทิง้งไม่เจ้ากายคลายก็คือการเดินการยืนการนั่งอะไรต่างให้มันเป็นธรรมชาติให้มันผ่อนคล า, ายใจเราเองก็เหมือน ก, นนรรการปิดต่างๆก็คือว่าไม่ไม่ทิ่งแล้วก็ไม่เผลอเนี่ยใจปินกลางมันจะทําให้เราเสริมความรู้ตัวแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้น บางกายคลายคลายบางใจรำาญไม่เพ่งไม่จ้องแล้วก็อย่ไปอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรต่างเราภาวนาเพื่ออะไรแค่ว่าอืมแค่การสร้างความรู้ตัวนะไม่ใช่อยากจะเป็นพระอรหังอยากจะเป็นโสนาบันอยากจะเป็นผู้รู้อะไรเราแค่แค่สร้างสติเพื่อเพื่อดับทุกข์ในตอนนี้ก็พอแล้วแล้วอีส่วนหนึ่งที่ด้วยได้ือ ไห้ทาแบบเ น, เ น, น, เ น, นเ้นๆเยียวทำเน้นๆแต่ทำเรื่อยๆบางทีว่างๆก็ทาเน้นๆเหมือนนี่ทําี้ทำเน้นๆทำเรื่อย ๆ, ๆมันจะรู้สึกสนุกเมื่อเรารู้สึกสนุกแต่สนุกแบบไม่ใช่แค่สนานนะสนุกแบบเหมือนเพลินๆพอใจที่จะทําำเราจะทํำเรื่อยๆเหมือนเราชอบงานอะไเด็กอะไรใช่ไหมเราก็ว่างเราก็ทํามันจะเป็นความสนุกนี่ นแต่แต่ต้องเรียกว่าแต่การสนุกกับการภาวนามันก็มาเป็นอารมณ์กลางๆเนาะสนุกๆแล้วก็ทําเรื่อยๆเนะี่ยพอทําเรื่อยๆมันจะมีความสุขแล้วก็จะมันไม่ใช่หวังผลแต่ความ ส, สุขมันเกิขดขึ้นขณะนี่ทำมันจะได้ความพอใจในขณะที่ทำเนะีอันนี้เรียกว่าเกิดศรัทธาเนาะเมื่อศรัทธามันดีความเพียรมันจะตามมาเองความขยันจะจะตามขึ้นมาเองสมาธิ สตินะจะตามมาปัญญาจะตามมานะให้ทําแบบเพลินอสบายๆนะแล้วก็ทำให้ต่อเ น, นื่องทำต่อเ น, นี่ยงก็คือทำเรื่อนยะทำเรื่อยๆแต่ลือกได้เมื่อไรก็ทํายู่เลือกได้เมื่อไรก็ทำนะตอนพูดตอนคุย ต, ต, ตอนทําการทํางนานแล้วเลือกได้เมื่อไรก็กลับมาดูตัวเองอารามณ์อะเกขึ้นไหนก็กลับมาดูตัวเองไปแต่เพิ่งไปเอง เอาชนะคนอื่นเดี๋ยวขึ้นเวทีคนอื่นกลับมาดูตัวเราก่อนนะไอ้พวกนี้นเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคที่มันก็นใช้ได้จริงนะถ้าใช้ได้จริงถ้าเราไปทํานะหรือว่าถ้าติดอารมณ์อะไรขึ้นมาครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่าเ อ, เอาง่ายๆนะแต่บางทีมันก็ฝืนนะบอกกลับมารู้สึกตัวนะกลับมารู้สึกตัวนะเป็น เป็นตัวที่ทําให้เรากลับมาจากภาวะลมต่างๆนีนเยอะอย่างติดความสงบนะถ้ากลับมารูกตัวเนี่ยมันก็จะตื่นขึ้นนะอืติดความสงสัยน้ำใจต่างๆพอกลับมารูกตัวเนี่ยมันจะเห็นว่าที่ความสงสัยมันก็มันก็ไม่ใช่จ่เป็นอะไรนักหนานะมันก็วางไปได้ติดตัวปัญญาความรู้ความเห็นอะไรก็แล้วแต่พอกลับมารูกตัวเนี่ยอื่นก็ คามอยากบอกอยากสอนอยากคิดอยากเทศอยากคเคลื่อนอะนีก่ก็บางไปอันนี้กลับมารู้ตัวนมันจะทําให้เราหลงทางไปเป็สั้นลงนะแต่พวกนี้นเป็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นแน่นะสําหรับการเดินทางตัวนี้แต่แต่ถ้าเรากลับมารู้ตัวเนี่ยความหลงมันก็จะสั้นลงนมันก็จะผ่านไปได้เร็วขึ้น อะไรองเงี้ยแต่บางทีเราก็มีอดแยง้งนมาในใจไม่ได้ว่าเฮ้ยคือถ้าแน่นนนจนนนน ร, นนนริาารรงเนี่ยหมายความาผมแน่จริงเนี่ยตอยบุรการกระทำที่ต่อหรือว่าการตลาดส่งเนี่ยผมก็ต้ององผมได้ผมก็ต้องรู้สึกตวัวะรสมมติเราควรอไปเจ็ภาษาครับควรออกไปเจอแจกสีก็จริงจ <laughs> อิง สอบริงจิไม่ใช่ว่าเราเดินไปหาเขามันเข้ามาหาเรามันถึงเป็นตัวทดสอบจริงจริงอ่าเ ช, งงช่นตนัวอย่างอ๋อเช่นสมมติเราอยู่ดีดีมีคนมาเช่นมีคนมารบกวนเรารบกวรพอาสงบขณะที่เราปฏิบัติทำอยู่อันนี้คือตัวทดสอบจริงจริงใช่ไหมหรือบางทีมันไม่ต้องกลัวน เ, ร, เราก็จะไม่มีตัวทดสอบ เดี๋ยวความป่วยก็มาเนะี่ยมันจะทําให้เราเห็นว่าเออเราวางใจกับกับคมเจ็บป่วยได้ไห ม, มหรือที่จริงในปนในการทํางานของเราอตอนนี้มันน่าพื้นดีไม่ค่อยมีอะไรแต่พอสักพักนึงอาจจะเจอปัญหาในการทํางานเยมันก็ตัดตัวตรวจสอบเองแบบ ว, ว่าเราผ่านไหยเราจะติดอารมณ์เรื่องเรื่องเพื่อนร่วมงานไหมเรื่องอ ง, อ ง, ง, าอ ง, งานที่มันมันล้มเหลว ไ, ไหมเนหะ็นไหมพราเนี้ย มันจะเป็นตัวทดสอบของจริงเราไม่ต้องไปเดินหาแต่การทดสอบเนี่ยมันจะเป็นตัวทําให้เราประเมินผลได้ได้ดีกว่าเนาะเพราะอะไรมันจะไปหลนะมเนาะบางทีมันเราไปดูนะ้วบางทีมันก็ไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่หอกะฉะนั้นผู้วิจารณ์เขาไม่ได้ว่า <c oughs> ต้องแบบไป้าย้ให้ไปคล้ายคล้ายปทดสอบกับอกุศล น, นะไม่ใช่นะแต่จริงอา่า เช่นการเงินทุอโตเนี่ยมันไม่มีอะไรคาดล่วงหน้าได้ว่าจะเจออะไรแต่มันเป็นสภาวะกลางๆซึ่งมันอาจจะเขย่าบางบางความรู้สึกที่มันติตในใจเราเช่นเรากลัวก็จะเห็นความกลัวอะไดแนะมันก็จะทำให้มันมันไม่ความสงบมันก็โดนแวกออกมาแต่ที่จริงก็ดีแล้วนะโดยเฉพาะคาราวาสอ่ะบางทีหมายว่าชีวิตในสังคมมันก็ บุญวายมากจะได้การที่เราลดลดความบุนวายลงไปบ้างนะมันดีแล้แต่ถ้านอกจากบางครั้งเราจําเป็นต้องเกี่ยวข้องในนั้นก็ต้องใช้สติเข้าไปมากมันจะช่วยได้โยมเพราะว่าถ้าเราไปีบ่นวายกับโลกมากเรามีจุดลดและเลิบางอย่างพอเรามาเจื่อสติอารมณ์ที่เคยตั้งงงมันไม่ใช่ตั้งงงหรอกรู้ตัวดีๆบางทีปวดใจรู้ตัวมันก็ยาก ลดลดตรงไปอดีแท้อย่าไปอย่าไปดมตามความคิดของมันเป็นมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะให้รู้ไม่แต่บางทีไม่แต่ถิ่งดีๆนะบางทีก็มีกิเลสนะอย่างอย่างบางทีอย่างที่ว่าไปคิดอยากจะช่วยคนอื่นมากๆจะลืมตัวแต่จะเป็นซอสอยากจะช่วยคนนั่นคนนี้นะปาษาพระุ่วัต เ, เทพบุตรมานม า, นมานในรูปของเทพบุตรอืมเทวดาเทวดาติดใจดีนะจะเด็ดช่วยกันนั้นตอนนี้บางทีก็ทําให้เราลืมตัวไปไปไปติดกับอารมณ์นั้นนะมันมีหลายอย่างนะมาแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไปโยม น, นะอืมค่อยๆเรียนรู้ไปผมวาอย่างที่อาจารย์วลาเรื่องอามีมันขาดอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่า อย่างตอนบวชเนี่ยผมเคยเคยคิดว่าจะเปลี่ยนเอาชนะความกัวได้่ะอยู่ในฟ่ามือเดียวอยู่มึนๆไาเยอะเนี่ยคิดว่าแบบนี้เอาอยู่แต่พอสืกออกมามันจะมีอีกช่วงหนึ่งผมตื่นมากัดเด็ดเนัแล้วนก็กลัวอะไรก็ไม่รู้คือม็นกูแบบไม่มีสาเหตุอะไรอารมณ์อะไรข้าหในมันกลักางแบบก็แบบว่ามัอก็ไม่ใช่กลัวผีหรือว่ากลัวตายไก็ไม่เคมันกลัว มันก็ยังมีอะไรที่ในอีกี้เรยนใชใช่แล้วก็บางขณะบางอย่างผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่บางขณะมันก็ผ่านแล้วมันก็อาจจะมีบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกันมาแต่จริงก็เพื่อที่เราเห็นนะเพื่อที่เราเห็นอย่างตัมาก็ปฏิบัติมาตอนหลายปีแต่มีช่วงหนึ่งตอนนั้นก็พรษาห้าแก็ ไปเดินที่ตรงคนเดียวนะหลายเดือนสีหน้าเดือนเนี่ยก็ไปคนเดียวไปเรื่อยก็ตอนเราอยู่ที่วัดเราก็ชอบอยู่คนเดียวก็อยู่ปฏิปฏิบัติหรืออ่านหนังสือของเราเองนะก็ไม่ค่อยมีคุ่คิดคนอื่นแต่พอไปอยู่คนเดียวโทรศัพท์ก็ไม่มีเพื่อนก็ไม่มีมันเห็นเลยเห็นความเหงาที่แบบก็รู้สึกว่าเราเป็นคนขี้เหงานะมาถึงเราสิกว่าเราก็พอใจอยู่คนเดียวก็ได้แต่พอ อยู่กับคนเดียวนานๆแล้วก็ไม่ค่อยอมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนบางทีเออมันเหตุที้ต่อเ ร, เรามีความเหงาในใจต่อเหมือนกันเนาะบางทีอางท่ายเดินผ่านบาง ท, เา ท, งทีเดินผ่านชุมชนในบางหมู่บ้านก็จะมีอะไรนะมีหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านนะอืนะ <c oughs> เดินผ่านแล้วพอเห็นเลยกนินอยากจะอ่านบางทีหนังสือพิมพ์มันเก่าหลายเดือนแล้ว น, นะแต่มันรู้สึกมีมมความอยากจะเสพ เสพอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งถ้าเป็นปกติแล้ ว, ว้อ่านหนังสือพิมพ์ก็ก็อ่านข่าวอ่านอะไรแต่พอสภ า, าวะนั้นมันเกิดไหมว่าอืมการแค่อ่านหังสือพิมพ์มันก็เป็นการเหมือนคล้ายๆแต่หนองความรู้สึกว่าเราเสพจะเสพอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางทีเราไปอยู่อยู่ป่าช้าอยู่วัดล้างนะบางทีก็มีชาวบ้านมาพูดคุยมันก็รู้สึกเลยว่าเห็นว่า มีความพอใจพอใจเหมือนไอ้ใช้ไม่มีนคนมาสนใจเรามาพูด <c oughs> คุยถามสารสุดฤนะบางทีเดินผ่านไปบางทคนก็เห็นพระอุดมงเขาก็ไม่ได้อะไรมากเขาก็ไม่แต่พอไปถึงที่พักมีคนมากเอานั้นเอานี้มาตะวนันมาพูดคุยมาถามมันรู้สึกเลยเห็นความพอใจซึ่งก่อ น, นนั้นอยู่ที่วัดเราจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นสภาวะที่มันเป็นปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่มันเห็นว่าพอ พอสภาวะ น, นมันเห็นลึกๆว่าเราจะมีความชอบจะมีความเหงาจะมีความอะไรบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาซึ่งตรงนี้บางทีเราก็ไม่ตั้งใจจะจาหาแต่มันก็จะค่ะคอยๆเห็นที่มันได้เกิดขึ้ น, นเรื่อยๆซึ่งของแต่ละคนอาจจะมีแตกต่างกันเนาะอันนี้กันก็แค่ได้เี็นในส่วนที่ที่ตัวตนที่ตั ว, ต, วตัวเองเห็นโยมก็ต้องดูว่าพอเจอแต่สภาวะของเรา บางทีโดยจะเรียกว่าพอเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความเฟซชินเปลี่ยนกิจกรรมบางอย่างมันจะทําให้เราเห็นเช่นบางทีเราอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ที่ทํางานมันก็อารมณ์เดิมๆพอเราไปอยู่วัดเป็นเดือนตรนั้นนะอารมณ์ที่เราเร า, เราก็คิดว่าเราไม่คงไม่คิดถึงบ้านไม่ปิดบ้านหรอกแต่บางทีเราอยู่วัดนานๆอ้าวเหงาคิดถึงบ้านแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางที หรือบางทีเราพูดคุยทุกวันจนเป็นความเคยชินพอไปปฏิบัติธรรมเข้มไปเข้าขอบางทีเขาบอกให้เราปิดโทรศัพท์ไม่พูดคุยเจ็ดวันนะมันจะรู้สึกแล้วอมืมันจะเห็นความสึกอยากจะพูดเนี่ยความสึกไอ้คนงานที่บางทีในชีวิตเราบางทีพอเราทำํำจนชินเราจะไม่เห็นมันแต่พอเราเปลี่ยนกิจวัตรบางอย่างเราจะเห็นมันเึิ่มมันก็ดีนะท่างเงื่อนไข บางอย่างเงื่อนไขที่คนอื่นเขากําหนดมันก็เป็นตัวตั ว, ตวทําให้เราเห็นสภาวะเราจะไปมองว่าเป็นการบังคับแต่เรามองว่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่เขาสร้างขึ้นเราจะได้เห็นสภาวะบางอย่างในในใจของเราเองหรือนอกจากบางอย่างที่เรารู้ว่าเราติดมันมากเราอา จ, จะต้องสร้างเงื่อนไขมดมันบ้างเอเลิกมันบ้างไม่จะเห็ความยิ่นในใจของเราใช่ไหมบางคนติด อ่อินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กอะไรก็ได้แต่ลองตั้งเงื่อนไขตัวเองใช้น้อยลงหรือว่าลองดูว่าไม่ใช่ตามวันเป็นไหมไหม <c oughs> ใช่ไหมน้องแต่ก่อนทีสามสิบนาทีไม่ไม่ดูก็แย่แล้วเนาะบางทีบางคนลองวดไปมันจะเห็นคมรู้สึกอยากคมรู้สึกติตในใจของเราซึ่งไอ้พวกนี้มันบางขนาดบางทีมัน บางทีมันก็มีเงื่อนไขบาง อ, นะอย่างมันก็รอดนะโยมอย่างอย่างเป็นพระนะบางทีโยมบางทีมีพระมาบวชบวชช่วงคาวบวชอะไรนะบางทีกิเลสมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเพราะอะไรมันรู้สึกว่าเดี๋ยวเราตึกไปเราก็ได้เสพนั่นเองเช่นเดี๋ยวเราก็ได้กลับไปดูโทรทัศน์เหมือนเดิมทีมไม่ไปอ่านเหมือนเดิไปกิ น, นเหมือนเดิมอยากกินก็ได้แต่บางทีพอบวชเป็นนานๆ น, นะโยมางที ไอ้ขนมที่ไม่เคยได้กินนานๆมันก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่ า, กวาปกติออมันอย่างเดินเทโดะบางทีโทยมน้าส้มขวดละสามบาทเนี่ยถ้าอยู่วัด น, นี่ก็ไม่หยิบแลบนะแต่ถ้าไปธทดโดงเนโอ้ยแค่นี้ก็เป็นของมีค่ามากอาตจะมานะเข้าถวายลอะไรนะน้ำตาลายแดงขึ้นกิโลนี่มีค่ามากเลยเอาไว้ใส่ชันวันละสองช้อน ไปเรื่อยบางอย่างที่เราไม่ก็้สึกมันมีค่าแต่ ม, มันก็มีค่ามันเห็นมันก็เห็นอารมณ์บางอย่างซึ่งพอเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนอนไรมันก็ทําให้เราได้เห็นบ้างแต่บางทีด้วยเงื่อนไขบางอย่างก็อดวันนึงเจ็ดวั น, น, น, นไม่เป็นไรหรอกแต่เรียมทํำไมเรียงเป็นท่านพอต้องอดตลอดชีวิตเนี่ยมันมันหนักขึ้นนะอืหรือพอเราคิดถึงว่า โอต้องภาวนาตลอดชีวิตเลยเหรอมันจะรู้สึกหนักแต่จริงมันหนักเพราะเราโบงตัวเองแหละที่จริงเราก็แค่ทําในแต่ละขณะแต่ละวันมันก็จะสะสมไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีของมันเองไม่มีใครจแบบทําตลอดชีวิตในจริงจริงหรอกเรามีแต่ ท, ทําทีละขณะทีละขณะถ้าทีละขณะมันจะสะสมเองถ้าจิตเราอยู่กับปัจจุบันเน่ะสี่สิบปีมันก็ไม่ยาว เพราะเราอยู่ปัจจุบันแต่ถ้าจิตไม่อยู่กับปัจจุบันอ่ะสี่สิบวันนี่ก็นานมากมานี่นก็ถ้าเราทำแต่และปัจจุบันมันก็ไม่ทั้นไม่ยาวพอดีพอดีพอเข้าใจทุกคนเลยแหละอุ่นกว่าปุ่นควนเนอะ